คารับคุณผฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับวันนีตอนที่สิบเอ็ดค่ะอัตราชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษาโยคานันทะหนังสือที่ทำให้เราได้เห็นถึงชีวิตโยคีเราอาจจะเคยฝึกโยคะนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโยคี โยคยีที่เป็นคําเรียกนักบวชในศาสนาฮินดูแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างไปจากนักบวชในศาสนาพุทธที่เราคุ้นเคยแต่ว่าวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดและกระบวนการการเข้าถึงความจริงสูงสุดก็ต้องผ่านการเคี่ยวกรำตัวเองมาอย่างหนักห น, น่วงแล้วก็คนบางคนเขาเรียวกว่าบอลทูบีนะคะเกิดมาเพื่อที่จะ พัฒนาตัวเองทางธรรมโดยที่ไม่สนใจทางโลกเลยแม้แต่น้อยเหมือนอย่างชีวิตของมุขุนทะที่ไม่สนใจการเรียนไม่สนใจที่จะใช้ชีวิตทางโลกแต่มีความมุ่งมั่นในการที่จะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อเข้าถึงศักยภาพอันสูงสุดในชีวิตวันนี้มาฟังกันต่อนะคะกับชีวิต ของท่านสียุคเตสวนซึ่งเป็นอาจารย์คนสำคัญของท่านประมาหังสาโยคานันทะว่าก่อนที่ท่านจะเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาทั้งในหมู่ชาวอินเดียแล้วก็ชาวอเมริกันท่านมีครูบาอาจารย์ท่านไหนอย่างไรบ้างวิธีการเรียนรู้ของท่านได้มาอย่างไรนะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ ตอนที่ท่านสียุคเตสวรเคยเจอสัตว์ร้ายค่ะแล้วท่านก็สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ชนิดที่ลูกศิษย์นี่อึ้งกันไปเป็นแถวๆเลยก็อารมณ์คล้ายๆกับพระธุดงของเรานะคะเวลาที่ท่านไปปักกรดธุดงกลางป่ากลางเขาท่านไปเจอเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายโดยที่ท่านไม่มีอาวุธเลยแต่ท่านก็สามารถที่จะผ่านมาได้ โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นและสัตว์ก็ไม่ทำรายท่านพลังของความมีเมตตาพลังสมาธิเป็นเกราะกำบังที่สำคัญถ้าสามารถเข้าถึงภาวะนั้นได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจตอนที่ท่านครุสียุคเตสวนท่านเผชิญหน้ากับสัตว์ ร, ร้ายณนะเมืองปุรีที่อาสมริมทะเลของท่านนะคะเชิญฟังได้เลยกับตอนที่11ค่ะ ชีวิตโยคียรเรื่องราวครั้งนั้นเกิดขึ้นณนเมืองปูรีที่อาสมริมทะเลของท่าน ตอนนั้นลุกศิธิ์ที่อยู่ข้างกายของท่านคือประฟุนลาศิษย์รุ่นยาวที่ท่านรับเอาไว้อีกหลายปีให้หลังประฟุนลาเล่าให้มุกุลทะฟังบอกว่าตอนนั้นเรานั่งอยู่ข้างนอกใกล้ๆกับตัวอาสมแล้วก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาตัวยาวตั้งสี่ฟุตน่เมฤุตยูของจริงเลยละ่ะ มันแผ่แม่เบีย้ยอย่างเกลี้ยวกราดขณะที่เลื้อยปราดเข้ามาหาเราแต่อาจารย์กลับหัวเราะหึ่หเหมือนกับหัเราะให้เด็กยังไงอย่างนั้นเลยอาจารย์เอาแต่ตบมือเป็นจังหวะในขณะที่ผมนี้อกสั่นขวัญหายหมดคิดดูสิอาจารย์กําลังสร้างความบันเทิงเรืองใจให้กับแขกที่น่าสยดสยองตัวนี้ตอนนั้นผมนั่งตัวแข็งในใจก็สวดภาวนาเร็วปือเจ้างูตัวนั้น เขาไปใกล้าอาจารย์มากแล้วแต่มันกลับนิ่งเรากับต้องมนต์สะกดจากการปะเล้าปะลมของท่านมันค่อยๆลดพังพานที่น่ากลัวลงแล้วมันก็เลื้อยผ่านลอดวางเท้าของอาจารย์หายลับเข้าไปในพงไม้มองเห็นภาพเลยไหมคะงูเนี่ยพุ่งตรงไปทางอาจารย์แผ่แม่เบีย้ยพังพานอันเริ่มเลยแต่ไม่รู้ยังไง มันค่อยๆลดแม่เบีย้ยแล้วก็เลื้อยผ่านลอดวางเท้าของอาจารย์ไปประฟุลลาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเจ้างูเห่าตัวนั้นถึงไม่ฉกอาจารย์สิ่งที่เขารู้แน่นับตั้งแต่วินาทีนั้นก็คืออาจารย์ของเขาไม่กลัวอันตรายจากสัตว์หน้าไหนทั้งนั้นคือขนาดงูเจอกันแบบจะๆจะแบบนี้ท่านยังชิวๆเลยนะคะ นี่คือเรื่องเล่าที่บรรดาลูกศิษย์เล่าขานสืบต่อกันมาและก็ทำให้เกิดความศรัทธาในตัวอาจารย์มากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าอาจารย์ท่านก็ไม่ได้โ อ, อ้อวด น, นะเป็นลูกศิษย์เล่าให้ฟังเองเพราะว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ช่วงไม่กี่เดือนแรกที่มุกุลทะเข้ามาอยู่ในอาสมบ่ายวันหนึ่งอาจารย์สียุคเตสวนก็บอกกับมุกุลทะว่าเธอพร้อมไปนะมุกุลทะ คำพูดนี้จี้ใจดำมุกุลทะอย่างแรงนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยมาตั้งแต่เด็กคือเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเป็นโรคประจำตัวประกอบกับรูปร่างของเขาก็เป็นคนผอมแห้งตาลึกโหลก็ถูกเลาะเป็นปมด้อยมาแต่ไหนแต่ไรเช่นกัน ที่บ้านจะมีขวดยาบำรุงตั้งเรียงอยู่บนชั้นสารพัดแต่ก็ไม่มียาขนาดไหนที่จะช่วยได้บางครั้งมุกุลทะก็จะถามตัวเองเศร้าๆว่าชีวิตนี้จะคุ้มค่าไหมกับสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแบบนี้คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเป็นคนที่กระสอบกระแสะอาจารย์สียุคเตสวนบอกว่า ยาย่อมมีข้อจํากัดของมันอยู่แต่พลังชีพที่รังสรรจากเบื้องบนหามีข้อจํากัดเช่นนั้นไหมจงเชื่อเช่นนั้นแล้วเธอจะมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างแน่นอนโอ้โหพอได้ฟังแบบนี้นะคะมูกลิทาก็เกิดความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าเขาสามารถจะเอาสัตรูธรรมนี้มาใช้กับชีวิตของตนได้ และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีหมอคนไหนที่สามารถกระตุ้นให้เขาเกิดศรัทธาประสาทได้เช่นนี้เลยคือชีวิตที่ผ่านมาไปหาหมอมาหลายคนมากหลังจากนั้นค่ะสุขภาพของมุกุลทาก็ดีวันดีคืนมีกำลังวังชามากกว่าแต่ก่อนน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยทำได้แถมปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารที่ไม่ไม่ค่อยย่อยเนี่ยนะคะ ก็หายไปเป็นปริดทิง้งมุกุลธาบอกว่าหลายครั้งเขามีโอกาสได้เห็นอาจารย์ศรียุคเตสวนใช้ทิพย์พยาอำนาจรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคลมบ้าหมูวั น, นโรคแม้กระทั่งอมมาพาสเหมือนกับว่าท่านมีพลังจิตตรงนี้ในการที่จะช่วยเหลือผู้คนได้หลังจากที่มุกุลธา หายจากอาการาป่วยกระสาะกระแสะแล้วก็อาหารไม่ย่อยอาจารย์ศรียุคเตสวนก็บอกว่าตัวท่านเองเมื่อหลายปีก่อนก็เคยดิ้นรนอยากเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองเหมือนกันคือเคยเป็นเหมือนกับมุกุลทะระหว่างพักฟื้นหลังจากล้มป่วยหนักท่านก็ได้ไปกราบคารวะท่านลาฮิริมหัศยะที่เมืองพาราณสีอาจารย์ของท่านคือท่านเคยเป็นเหมือนมุกุลทะมาก่อน ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไปหาท่านมหาสยะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ขอรับกระผมป่วยหนักมานานน้ำหนักตัวลดไปหลายปอนด์เลยขอรับเข้าใจละยุคเตยสวนเจ้าทำให้ตัวเองล้มป่วยแล้วตอนนี้ก็มาคิดว่าตัวเองผอมหลังจากที่ท่านสี่ยุคเตสวนได้ฟังคำตอบ ท่านก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นคำตอบที่ท่านไม่ต้องการน่นะคะคือเหมือนกับท่านอาจารย์กล่าวหาว่าท่านเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองล้มป่วยซึ่งท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอตัวเองจะเป็นสาเหตุให้ตัวเองล้มป่วยได้ยังไงแต่แล้วค่ะท่านลาฮิริมหัสยะก็พูดอีกประโยคหนึ่งบอกว่า ให้ดูสิเรามั่นใจว่าพรุ่งนี้เจ้าจะต้องรู้สึกดีขึ้นแน่ๆจากคําพูดประโยคนี้อันนี้ล่ะค่ะสาคัญเลยทําให้ท่านรู้สึกว่าอาจารย์ให้ผ่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องรู้สึกดีขึ้นแน่ๆเหมือนกับว่าท่านอาจารย์เนี่ยใช้พลังอะไรบางอย่างรักษาแล้วก็พรุ่งนี้ท่านจะดีขึ้น เช้าวันถัดมาท่านสียุคเตสวนนะคะก็รีบมาหาอาจารย์แล้วก็อุทานอย่างดีอกดีใจพรางรายงานบอกว่าอาจารย์ขอรับวันนี้กระผมรู้สึกข้อ ย, ยังชั่วขึ้นมากเลยขอรับท่านลายฮิริมหัสยะก็บอกว่าจริงด้วยวันนี้เจ้าทําให้ตัวเองแข็งแรงมีชีวิตชีวาขึ้นมากจริงๆมีใช้เช่นนั้นขอรับอาจารย์ต่างหากที่ช่วยกระผมไว้ นี่เป็นครั้งแรกในหลายสัปดาห์เลยนะขอรับที่กระผมรู้สึกมีกำลังวังชาเช่นนี้นั่นสินะอาการของเจ้ามันหนักเอาเรื่องร่างกายหรือก็ยังอ่อนแออยู่ใครจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทรงหรือว่าจะซุดประโยคสุดท้ายของอาจารย์นะคะทำให้ท่านสียุคเตสวนตอนนั้นเนี่ยกลัวจนตัวสัน่นว่าอาการที่แข็งแรงขึ้นในมันอาจจะหายไปแล้วท่านก็อาจจะกลับ ไปสงส์สงเอนเหมือนเดิมช้า ว, วันรุ่งขึ้นท่านก็แทบจะลากสังขารมากราบอาจารย์แทบไม่ไหวละค่ะอาจารย์ขอรับกระผมป่วยอีกแล้วขอรับนั่นไงเจ้าทําตัวเองป่วยอีกแล้วท่านสียุคเตยสวนตอนนั้นก็รู้สึกโกรธอาจารย์นะคะอาจารย์ขอรับตอนนี้กระผมรู้แล้วว่าที่ผ่านมา ท่านเอาแต่ลอ ก, กระผมเล่นกระผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทาไมอาจารย์ถึงไม่เชื่อคาพูดอันเป็นสัตว์ของกระผมเราพูดจริงๆสิ่งที่ทำให้เจ้าป่วยแล้วหายสบายดีสลับกันอยู่แบบนี้คือความคิดของเจ้าเองเจ้าก็เห็นแล้วว่าสุขภาพของเจ้าดีขึ้นและเลวลงตามความคาดหวังที่อยู่ในจิตใต้สำนึกความคิดคือพลังดุดเดียวกับกระแสไฟฟ้าหรือแรงโน้มถ่วงของโลก จิตมนุษย์คือตัวจุดประกายของจิตสํานึกอันทรงไว้ซึ่งพลานุภาพอันไพศาลแห่งพระเป็นเจ้าเราสามารถแสดงให้เจ้าเห็นเป็นประจักษ์ได้ว่าถ้าจิตอันกล้าแข็งของเจ้าเชื่อว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นโดยไม่มีข้อกังขาสิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้นตามนั้นทันทีพออาจารย์พูดจบท่านสียุคเตสวนก็เรียนถามอาจารย์ด้วยความยำเกรงและก็ซาบซึง้ง เพราะท่านสี่ยุคเตสวนทราบดีนะคะว่าอาจารย์ของท่านไม่เคยพูดจาไร้าสาระอาจารย์ขอรับถ้ากระผมคิดว่าตัวเองแข็งแรงและกลับมาหนักเท่าเดิมแล้วมันจะเป็นไปตามนั้นใช่ไหมขอรับใช่สิเริ่มตั้งแต่ช่วงขณะจิตนี้เลยท่านลาหิรรมหาสยะมองลุกศิษย์ตาสบตา แล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทําให้ท่านสียุคเตยสวนในขณะนั้นรู้สึกขึ้นมาในบัดดลนะคะว่าไม่เพียงแต่จะมีกําลังวังชามมากขึ้นเท่านั้นกระทั่งน้ําหนักตัวก็เพิ่มตามมาติดๆท่านลายฮิริมหัยศยะกลับคืนสู่ความเงียบเหมือนเดิมหลังจากนั่งอยู่แทบเท้าของท่านลายฮิริมหัยศยะได้ไม่กี่ชั่วโมง ท่านก็กลับไปที่บ้านแม่ซึ่งท่านใช้เป็นที่พักเวลาที่มาเยือนพระนสีพอไปถึงบ้านแม่ตะทักบอกว่าลูกแม่เกิดอะไรขึ้นทาไมถึงได้อ้วนขึ้นเหมือนกับเป็นโรคบวมน้าอย่างนี้แม่นี่แทบจะไม่เชื่อสายตาเพราะว่าตอนนี้ลูกชายกลับมามีเนื้อหนังสมบูรณ์กายา เหมือนสมัยที่ยังไม่ได้ล้มป่วยยังไงอย่างนั้นพอลองชั่งน้ำหนักดูปรากฏว่าภายในวันเดียวค่ะน้ำหนักขึ้นมาถึง50ปอนด์แล้วน้ำหนักนี้ก็ยังคงอยู่เช่นนั้นเป็นการถาวรบรรดาญาติญาติที่เคยเห็นท่านสียุคเตสวนตอนที่ผอมแห้งแรงน้อยต่างก็ประหลาดใจไปตามๆกันหลายคนเปลี่ยนวิธีชีวิต แล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านลายฮิริมหาสยะเพราะผลจากปาฏิหาริย์ที่เห็นในครั้งนี้สรรพสิ่งทั้งปวงมีคลองของมันกฎซึ่งขับเคลื่อนจักรวาลเบื้องนอกนั้นนักวิทยาศาสตร์ย่อมสามารถค้นพบได้เราเรียกว่ากฎธรรมชาติแต่ยังมีกฎอันซับซ้อนละเอียดอ่อนยิ่งกว่า คอยขับเคลื่อนมิติทางจิตวิญญาณและเบื้องลึกแห่งจิตสำนึกการจะรู้จักกฎเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยศาสตร์แห่งโยคะซึ่งมีแต่ครูบาอาจารย์ผู้ตรนักรู้ว่าตนนั้นคือวิญญาณจึงจะเข้าใจธรรมชาติอันแท้จริงของสรรพสิ่งได้หาใช่นักฟิสิกส์ไม่อาจารย์ของข้าพเจ้าเป็นผู้ตีความพระคัมภีร์ได้ลึกซึ้ง อย่างยากจะหาผู้ใดทําได้เสมอเหมือนความทรงจําอันแสนสุขของข้าพเจ้ามักเกาะเกี่ยวอยู่กับคําสอนสั่งของท่านแต่ทัศนะอันพิสูจิ์ประดุดเพชรน้ํางามของท่านต้องไม่สูญเปล่าไปกับความไม่ใส่ใจหรือความโง่เขลาเพียงข้าพเจ้าขยุก ข, ขยิกหรือเผลอใจลอยไปหน่อยเดียวอาจารย์ก็จะหยุดการสอนนั้นทันที นี่เธอไม่ได้ฟังครูเลยนี่บ่ายวันหนึ่งอาจารย์หยุดสอนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคือท่านเป็นอาจารย์ที่มักจะกวดขันให้ลูกศิษย์เอาใจใส่ต่อบทเรียนทันโยคานันทะในนามของมุกุลทะขณะนั้นก็ท้วงบอกว่าอาจารย์ขอรับกระผมยังไม่ได้ขยับตัวเลยสักนิดนะขอรับขนาดตาก็ยังไม่ได้กระพริบ จะให้กระผมทวนคำพูดของท่านทุกคำกระผมก็ทำได้ถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ใจเธอไม่ได้อยู่กับครูทั้งหมดในเมื่อเธอไม่ยอมรับครูก็จำต้องดึงเอาความคิดของเธอออกมายันกันตอนนี้ในใจของเธอวาดภาพตัวเองกำลังสร้างสถาบันขึ้นสามแห่งแห่งหนึ่งอยู่บนที่ราบ่ามกลางดงไม้อีกหนึ่งอยู่บนยอดเขาและแห่งสุดท้ายอยู่ริ ม, มหาสมุทร ปรากฏว่าอาจารย์ผู้ได้ถูกเป๊เลยในใจของมุกุลท้าขณะนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆและก็เป็นความคิดอันซ้ำซากเกิดขึ้นอยู่เสมอเหมือนกับเป็นจิตใต้สานึกกระผมจะทำอย่างไรกับอาจารย์เช่นนี้ดีอาจารย์ผู้ยังรู้แม้กระทั่งสิ่งที่สิทธิคิดขึ้นมาแค่แวบๆ เธอให้สิทธินั้นแก่ครูเองวุกุนทะสิ่งที่ครูกำลังอธิบายให้เธอฟังคือสัจธรรมอันลึกซึง้งถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังจริงๆก็จะไม่สามารถเข้าใจได้หากไม่จำเป็นครูจะไม่ล่วงล้ำเข้าไปทำลายความเป็นส่วนตัวในจิตของผู้อื่นเป็นอันขาดมนุษย์เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะท่องไปในความคิดของตนโดยไม่ต้องเปิดเผยความคิดนั้นให้ใครได้รู้แม้แต่พระเป็นเจ้า ก็ไม่ปรารถนาที่จะล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่ได้รับเชิญครูเองก็ไม่คิดที่จะปุกรุกเข้าไปเช่นกันแต่กระผมยินดีให้อาจารย์เข้ามาดูความคิดของกระผมขอรับมูกุนทะความฝันที่จะสร้างนั่นสร้างนี่ของเธอจะเป็นจริงในภายภาคหน้าแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เธอต้องศึกษาหาความรู้คือท่านรู้ถึงอนาคตด้วย จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มุกุลทะได้รู้ว่าอาจารย์รู้เห็นอนาคตของเขารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตของเขานับตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น mm hmm. เขามักเห็นภาพอาคารสามหลังปรากฏขึ้นในหัวโดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอยู่บ่อยครั้ง mm hmm. อาคารแต่ละหลังตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆกันไปไล่ลำดับตรงตามที่อาจารย์ว่าไว้ไม่มีผิดหลังแรกคือโรงเรียนโยคะสำหรับเด็กชายที่ต่อมาเขาได้ก่อตั้งขึ้นบนที่ราบในเมืองรานจีแห่งที่สองคือสำนักงานใหญ่ในอเมริกาบนยอดเขาของนครลอสแองเจลิสแห่งที่3คืออาสมริมมหาสมุทรแปซิฟิกที่เมืองเอนซินิตัส มลรัฐแคลิฟอร์เนียภาพนิมิตของอาจารย์ได้กลายเป็นความจริงภาพนิมิตของอาจารย์ก็เกิดจากภาพนิมิตของเขาเองซึ่งต่อมาเมื่อท่านเป็ น, ท, น, ปนท่านประมะหังสายโยคา น, นันทะสิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นจริงตามนั้นเลยแต่ว่าอาจารย์สียุคเตสวนท่านไม่เคยโออวดเลย ว่าท่านสามารถทํานายอนาคตได้แต่ท่านมักจะเปรย์เป็นในๆว่าเธอไม่คิดหรือว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมักจะพูดเหมือนเตือนถอยคําอันเรียบง่ายทรงไว้ซึ่งอนุภาพอันไพศาลและเมื่อออกจากปากของท่านแล้วก็ไม่เคยถอนคําคืนคําทํานายของท่านไม่เคยผิดพลาดแม้จะบอกแค่เป็นในๆก็ตาม ท่านสี่ยุคเตสวนเป็นคนสงวนปากสงวนคำวางตัวเรียบง่ายไม่มีความครุมเครือหรือขี้เล่นปรากฏให้เห็นท่านเป็นนักปฏิบัติที่อยู่กับความเป็นจริงและท่านก็ชื่นชมคนที่เป็นนักปฏิบัติคนที่อยู่กับความเป็นจริงท่านบอกว่าความใฝ่รู้ทางธรรมไม่ใช่ความโง่หรือบ้าใบา การสำเนียกในพระเป็นเจ้าไม่ทำให้ผู้ใดอ่อนแอทุกพลภาพคุณงามความดีที่แสดงออกมาอย่างเต็มที่แข็งขันนั่นต่างหากคือบ่อกเกิดของความฉลาดแหลมคมอย่างที่สุดผู้ตรหนักรู้จะไม่แสดงปาฏิหาริย์ใดๆโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากจิตอันประพัดสอนพระเป็นเจ้า ย่อมไม่ประสงค์ให้ความลับในการสร้างสรร พ, พสิ่งถูกเปิดเผยโดยพร่ำเพรื่อผู้เป็นโยคีย่อมไม่ล่วงละเมิดอิสระนั้นนี่คือท่านอาจารย์สียุคเตสวนครุคร ที่มักเงียบขรึมอยู่เป็นนิดแม้ว่าท่านจะมีอำนาจมหาศจันท์ที่ทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาต้องตะลึงอยู่บ่อยๆแต่ท่านก็ไม่ชอบที่จะถกถึงเรื่องมิติเหนือโลกอันน่าอัศจรรย์ในการสนทนาท่านก็จะเลี่ยง ไม่พาดพิงถึงเรื่องที่ทำให้คนต้องอ้าปากตาค้างคือถ้าไม่จำเป็นท่านจะไม่พูดถึงอะไรที่เป็นอิทธิริษปฏิหารแล้วก็ไม่ชอบโออวดท่านเป็นคนที่เรียบง่ายนี่คือบุคลิกนะคะ ของท่านครุสียุคเตส่วนท่านวางตัวเหมือนกับคนธรรมดาทั่วๆไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับชีวิตของมุกุลทะที่ได้อยู่กับอาจารย์ที่น่านับถือเช่นนี้ เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ ท่านอาจารย์สียุคเตสวนมักจะรับสิทธิ์รุ่นยาวเอาไว้ในอาสมอยู่เสมอโดยท่านจะใส่ใจสอนสั่งอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านพุทธิปัญญาและด้านจิตวิญญาณก่อนที่ท่านจะลาโลกไปไม่นานท่านได้รับเด็กชายวัย6ขวบสองคนกับเด็กหนุ่มวัยปีอีกคนหนึ่งเข้าไว้ในอาสม ท่านจะสอนสิทธ์ด้วยกันอบรมเอาใจใส่คําว่าสิทธิและวินยัยจึงมีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่ของนิรุติศาสตร์และในแง่ของการปฏิบัติบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้คนในอาสมเคารพรักแล้วก็ยำเกรงท่านมากแค่ท่านตบมือเบาๆทุกคนก็จะกระวีกระวาดเข้ามาอยู่ข้างกายท่านยามที่ท่านเงียบขรึมไม่พูดไม่จา ก็จะไม่มีสิทธิ์คนไหนกล้าที่จะปริปากพูดขึ้นก่อนและเมื่อท่านหัวเราะอย่างร่าเริงเด็กๆ ก, ก็จะมองท่านเป็นเหมือนเพื่อนในวัยเดียวกันท่านสรียุคเตสวนไม่เคยขอให้ใครมาดูได้รับใช้ท่านในเรื่องส่วนตัวแม้แต่กับลูกศิษย์ท่าเจ้าตัวไม่ออกปากอาสาด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง ท่านก็จะทำทุกอย่างเองท่านจะซักเสื้อผ้าเองถ้าสิทธิในอาสมลืมทำหน้าที่ที่ใครๆต่างก็ถือกันว่าเป็นเกียรตินักหนาที่ได้ทำปกติแล้วท่านจะนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดสีส้มอมแดงเยี่ยงนักบวชที่เรียกกันว่าสวามีนะคะถ้าอยู่ในอาสมท่านก็จะสวมรองเท้าแตะแบบไม่มีสายรัดส้นทาจากหนังเสือหรือว่าหนังกวาง ตามธรรมเนียมที่โยคียึดถือปฏิบัติกันมาแต่ดั้งแต่เดิมท่านพูดได้หลายภาษาด้วยนะคะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเบงกาลีและฮินดีได้คล่องแคล่วภาษาสันสกฤตก็พูดได้ดีพอใช้เวลาที่สอนลูกศิษย์รุ่นยาวท่านจะใจเย็นมากแล้วก็จะมีวิธีลั์ ที่ท่านคิดขึ้นมาเองในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและสันสกฤตคือเก่งมากผู้ดได้ลายภาษาถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้พวงหลงติดอยู่กับร่างกายคือไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสวยงามกับการดูแล เ, เรื่องเสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรแต่ท่านเอาใจใส่ดูแลตามสมควรโดยให้เหตุผลว่า การสำแดงองค์ของพระเป็นเจ้าจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์พร้อมท่านไม่สนับสนุนการกระทำที่สุดโต่งในทุกรูปแบบครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์สแสดงความประสงค์จะอดอาหารเป็นเวลานา น, านท่านหัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่เลาะกระดูกโยนให้หมา ก, กินซะเลยล่ะท่านมีสุขภาพที่ดีเยี่ยม ตลอดเวลาที่มุกุลทะเป็นลูกศิษย์ของท่านเขาไม่เคยเห็นท่านล้มป่วยเลยสักครั้งแต่ท่านก็ให้เกียรติต่อธรรมเนียมปฏิบัติในทางโลกท่านอนุญาตให้ศิษย์ไปรักษาอาการเจ็บป่วยกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ถ้าลูกศิษย์ต้องการท่านบอกว่าแพทย์ทั้งหลายควรปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยผ่านกฎว่าด้วยวัตถุธาตุของพระเป็นเจ้า แต่ท่านก็สัญเริญการรักษาจิตว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าท่านย้ำอยู่เสมอว่าปัญญาคือยาล้างพิษขนาดเอกสังขารคือเพื่อนทรยศจงเอาใจใส่มันแต่พอเหมาะพอขวดทุกสุขหาความจีรังยั่งยืนไม่ได้จงตั้งรับทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายอย่างมีสติในขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามถ่ายถอนตนให้พ้นจากอำนาจของมันด้วยความคิดคำนึงคือประตูที่เปิดรับทั้งโรคร้ายและการรักษาหากเราไม่เชื่อว่าตัวเราป่วยจริงแม้ในขณะที่เราป่วยอยู่เจ้าโรคร้ายที่เราไม่ให้การต้อนรับ ก, ก็จะต้องเพนนีไปในที่สุดอาจารย์มีสิทธิ์ที่เป็นแพทย์อยู่หลายคน ท่านบอกว่าผู้ศึกษาสรีระศาสตร์ควรก้าวต่อไปให้ไกลค้นให้ลึกลงไปถึงศาสตร์แห่งจิตวิญญาณโครงสร้างทางจิตวิญญาณอันซับซ้อนนั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังกลไกทางร่างกายของเรานี่เองท่านแนะนำให้ลูกศิษย์ประสานคุณธรรมของทางตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันคือไม่ให้ปฏิเสธ เอาข้อดีมาประสานรวมกันตัวท่านเองนั้นภายนอกนิยมทำเนียมปฏิบัติของทางตะวันตกแต่จิตวิญญาณมั่นคงในวิถีของทางตะวันออกท่านยกย่องความเจริญความรอบรู้และสุขะอนามัยของตะวันตกแต่ท่านก็สัญเสริญแนวคิดทางาศาสนาที่แผ่รัศมีอันเรืองรองออกมาจากทางโลกตะวันออกนานนับร้อยร้อ ย, อยปี ระเบียบวินัยไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับข้าพเจ้าที่บ้านมีพ่อคอยเข้มงวดมีพี่อนันต์คอยกวดขันอยู่บ่อยๆแต่การอบรมสั่งสอนของอาจารย์นั้นต้องเรียกว่าเป็นที่สุดของความเข้มงวดกวดขันเลยทีเดียวเพราะปรารถนาจะให้สิทธิ์ดีพร้อมอาจารย์จึงมักว่ากล่าวพวกเราเหล่าลูกศิษย์อยู่เป็นนิดทั้งเรื่องความผิดเฉพาะหน้าและความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรทั่วๆไป ท, ท่านเคยพูดถึงมารยาทว่ามารยาทดีแต่ไร้ความจริงใจก็เปรียบเสมือนหญิงงามที่ตายไปแล้วตรงเกินไปจนไร้อัธยาศัยไมตรีก็เหมือนกับมีดหมอได้ผลแต่ก็สร้างบาดแผลอันเจ็บปวดวาจาจริงใจแต่ให้เกียรติจึงจะเป็นประโยชน์และเป็นที่นิยมชมชอบ ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าดูจะเป็นที่พอใจของท่านอาจารย์อย่างเห็นได้ชัดเพราะท่านแทบจะไม่เคยเอ่ยพาดพิงถึงเลยแต่กับเรื่องอื่นๆที่เหลือข้าพเจ้าเป็นต้องถูกดุว่าไม่เป็นแต่ละวันขอเสียหลักๆของข้าพเจ้าคือชอบใจลอยซึมเศร้าเป็นพักๆไม่ปฏิบัติตามกติกามารยาทบางประการและบางครั้งก็ชอบทาอะไรแบบไม่มีแบบแผน ไม่เป็นขั้นเป็นตอนมุกุลทะดูพ่อของเธอเป็นตัวอย่างสิท่านจะทำสิ่งใดก็เป็นประบบระเบียบมีเหตุมีผลอันเหมาะวรอาจารย์ยกตัวอย่างและเมื่อพ่อของเขาได้มีโอกาสมาพบกับท่านสียุคเตสวน ท่านทั้งสองต่างก็ชื่นชมซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้งเพราะว่าพ่อของเขากับท่านสียุคเตสวนล้วนเป็นสิทธิ์ของท่านลาฮิริมหัสยะสิทธิ์ครูคนเดียวกันนอกจากนี้ท่านอาจารย์สียุคเตสวน ท่านไม่เคยผ่อนปรนกับคนที่มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ไม่ใช่คนที่ใครจะมาติดสินบนได้ท่านเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ว่ากล่าวลูกศิษย์อย่างตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าเสมอแม้ความผิดพรังเล็กๆน้อยๆ ที่มาจากการไม่รู้จักคิดหรือความกลับกรอกท่านก็จะต้องตำหนิการอบรมขัดเกลาด้วยการบทขยี้อัตตาให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากจะทนรับได้แต่มุกุลทะก็ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วในการที่จะให้ท่านครุสียุคเตสวนกำจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ในอุปนิสัยใจคอให้หมดสิ้นไปคือยอมรับแล้วยอมทุกอย่างแต่ถึงขนาดที่ยอมแล้วแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่มุกุลทะก็แทบจะทนไม่ไหวเหมือนกันถ้าเธอไม่พอใจคำพูดของครูเธอก็สามารถไปจากที่นี่ได้ทุกเมือ่อครูไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอ แค่อยากให้เธอประเสริฐเลิศดีถ้าคิดว่าอยู่แล้วจะเป็นคุณแก่ตัวก็อยู่ต่อไปคืออาจารย์ไม่งอนะคะการที่อาจารย์ช่วยขจัดความเยืสโอหังทําให้ข้าพเจ้ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนลงได้นับเป็นพระคุณอันสุดล้นพ้นประมาณความรู้สึกของข้าพเจ้าในบางครั้งนั้นอุปมาเหมือนดังท่านได้ค้นพบ และถอนรากถอนโคนของฟันฟางทุกซี่ที่ผุกร่อนออกมาจากขากัรไกรของข้าพเจ้ารากเงาของความอาหารการนั้นยากนักจะขุดรากถอนโคนออกมาได้เว้นแต่จะกระทํากันแบบไม่ปราณีปราศัยเท่านั้นและเมื่อกําจัดมันออกไปได้หมดช่องทางที่จะเปิดปรับพระเป็นเจ้าได้อย่างราบรื่นก็จะปรากฏขึ้นมาดแม้นจิตใจยังแข็งกระด้างด้วยความเห็นแก่ตนเป็นที่ตั้งก็ย่อมไม่มีช่องทางใด ให้กระแสะจากเบื้องบนไหลผ่านเข้ามาได้ท่านศรียุคเตสวนเป็นอาจารย์ที่มียานย่างรู้อันแหลมคมแต่ว่าการแสดงที่พยายานให้แจ้งมักแสลงหูปูุชน อาจารย์จึงไม่เป็นที่นิยมชมชอบของสานุสิ์ที่มีความคิดอันตื้นเขินแต่ผู้เจริญด้วยปัญญาซึ่งมีอยู่น้อยกว่าน้อยจะเคารพเลื่อมใสในตัวท่านอย่างลึกซึ้งมมกุลทะเห็นว่าถ้าคำพูดของอาจารย์ไม่ตรงไปตรงมาและจี้ใจดำผู้คนได้ถึงขนาดนี้ ท่านจะต้องเป็นครุที่มีคนแห่มาฝากตัวเป็นสิทธิ์มากที่สุดในอินเดียแน่ๆแต่เนื่องจากว่าท่านมักจะพูดตรงแล้วก็จี้ใจดําลูกศิษย์ลูกหาก็เลยทนไม่ค่อยได้แต่ท่านก็ไม่แคร์นะคะท่านจะเข้มงวดกับคนที่มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ให้ท่านอบรมสั่งสอนรับได้ก็อยู่รับไม่ได้ก็ไป ท่านจะไม่ยอมย่อหย่อนอ่อนข้อให้เป็นอันขาดแต่ท่านก็บอกว่าในอนาคตมุกุลทะจะเป็นอาจารย์ที่ผ่อนปรนให้กับลูกศิษย์ลูกหามากกว่าท่านเพราะนั่นเป็นแนวทางของมุกุลทะซึ่งต่อมาก็คือท่านประมะหาหังษาโยคา น, นันทะคือคนละแนวท่านเนี่ยจะเข้มงวดกวดขันในการขัดเกลา คนที่ผ่านไปได้คือคนที่มีขันติมานะมีความอดทนอย่างยิ่งยวดการใช้ความรักความเมตตาก็สามารถขัดเกล่าวให้ดีได้เช่นกันถ้ามีปัญญากำกับคือจะใช้ไม้อ่อนหรือไม้แข็งก็ได้ผลเหมือนกันแล้วท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่ามุกุลทะจะต้องไปอยู่ต่างแดนไปอยู่ในที่ซึ่งคนไม่ชอบให้ใครมาโจมตีอัตตาของตนอย่างตรงๆง ผู้เป็นครูย่อมไม่สามารถนำภูมิเป็นยาแห่งอินเดียไปเผยแพร่สู่โลกตะวันตกได้หากไร้เสียซึ่งความอดทนอดกลั้นในการปรับตัวอารมณ์อรลวยให้แก่กันและกันก็แน่นอนว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศนะคะการที่จะจี้จุดตรงๆเนี่ยก็อาจจะมีคนรับไม่ได้เยอะเพราะว่าฝรัง่งก็จะมีอัตราตัวตนสูง ก็จะต้องใช้ไม้อ่อนมุกุลทะซึ่งต่อมากลายเป็นท่านโยคานันทะท่านก็บอกว่าจริงที่สุดเลยในส่วนของท่านครุสียุคเตส่วนนั้นการที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เถนตรงก็ทําให้มีลูกศิษย์ไม่มากนักคือลูกศิษย์จะทนไม่ค่อยได้แต่ถ้าทนได้ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ผู้ที่เข้ามาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านศรียุคเตสวนส่วนใหญ่มักทนอยู่ได้ไม่นานหลายคนอยากได้หนทางที่ราบรื่นอยากได้ความเห็นอกเห็นใจอยากให้ครูบาอาจารย์เห็นคุณค่าในคุณงามความดีของตนโดยง่ายซึ่งไม่มีวันพบหนทางนั้นในอาสมแห่งนี้เพราะว่าท่านจะเข้มงวดกวดขันท่านจะสั่งสอนจี้จุด ขัดเกล้าอย่างตรงไปตรงมาทันให้ที่พักพิงแล้วก็เป็นดังประทีปนำทางให้กับสิทธิ์ไปตราบชั่วกาลปาวสารแต่บรรดาสิทธิ์ที่เรียกร้องการเอาอกเอาใจสุดท้ายก็ต้องจากไปอยู่ไม่ได้ก็เป็นการคัดเลือกสิทธิ์ไปในตัว รัศมีอันเจิดจ้าของท่านอาจารย์สียุคเตสวนคือดวงปัญญาที่ฉายฉานประหนึ่งแสงอาทิตย์ที่แผดกล้าเริงแรงเกินกว่าที่จิตวิญญาณอันกระสอกกระแสะของพวกเขาจะทานทนได้พวกเขาจึงต้องหันไปหาครูบาอาจารย์ที่ด้อยกว่าครูบาอาจารย์ที่ปะล้าปะโลมพวกเขาด้วยคำพูดหวานหูและยอมให้พวกเขาหลับหลอ ย, อยู่ในอวิชชาได้เป็นครั้งคราวช่วงเดือนแร ก, แรก ที่เข้ามาอยู่กับอาจารย์ข้าพเจ้ากลัวการตำหนิจากท่านมากจนเข้าขั้นหวาดระแวงผ่านไปไม่นานข้าพเจ้าก็มองออกว่าคำว่ากล่าวตักเตือนอันเชื่อเฉือนของท่านมีไว้สำหรับลูกศิษย์ที่เข้ามาฝากตัวขอให้ท่านอบรมบ่มนิสัยให้เท่านั้นซึ่งข้าพเจ้าก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยถ้ามีศิษย์นอกครอบคนไหนเถียงท่านท่านก็จะเงียบไปแต่ไม่ใช่เพราะขุนเคือง ท่านไม่เคยใช้คำพูดโกรธเกลียวแต่ท่านจะแสดงออกด้วยวาจาที่เรียบเฉยไรอารมณ์ซึ่งแฝงไว้ด้วยปัญญา mm. คำตำหนิของท่านไม่เคยพุ่งเป้าไปยังแขกเรือผู้มาเยือนทั่วทั่วไป mm. กับคนเหล่านั้นท่านแทบจะไม่เคยเอ่ยพาดพิงถึงข้อเสียของพวกเขาไม่ว่าท่านจะเห็นมันเด่นชัดสักเพียงใดก็ตาม แต่กับลูกศิษย์ลูกหาที่ตั้งใจมาให้ท่านสอนสั่งท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านนะับเป็นความกล้าหาญของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์โดยแท้ความกล้าหาญดังกล่าวตั้งมั่นอยู่บนความเมตตาที่มีต่อปุถุชนผู้หลงวนเวียนอยู่ในโลกแห่งมายาประดุดคนตาบอดที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ในโลกกระนั้น หลังจากที่ข้าพเจ้าสลัดความขุนเคืองออกไปจากใจได้อาจารย์ก็ดุว่าข้าพเจ้าน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดท่านยังแสดงความปราณีต่อข้าพเจ้าแบบไม่ให้ใครจับความรู้สึกได้ไม่นานข้าพเจ้าก็ทลายปราการแห่งการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองและความคิดที่สงวนไว้ในจิตใต้สำนึกซึ่งมนุษย์ใช้เป็นโลกกำบังตัวตนที่แท้จริงของตนลงได้เป็นผลสำเร็จ รางวัลที่ข้าพเจ้าได้รับคือข้าพเจ้าเริ่มเข้ากับอาจารย์ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใดถึงตอนนี้ข้าพเจ้าจึงมองออกว่าท่านเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การเชื่อถือไว้วางใจมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและถ้ารักใครก็จะรักนิ่เงีย บ, บอยู่ในใจอาจารย์ไม่ชอบเผยความรู้สึกออกมาให้ใครเห็นและการกล่าววาจาแสดงความรักใคร่ก็ไม่ใช่วิสัยของท่าน ท่านศียุคเตสวนเป็นอาจารย์ที่เข้ากันได้กับสิทธิ์ทุกคนไม่มีแบ่งหญิงหรือแบ่งชายท่านปฏิบัติต่อลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกหลานมองทะลุถึงวิญญาณเท่าเทียมกันโดยไม่ทําให้ลูกศิษย์รู้สึกได้ถึงการแบ่งแยกแตกต่างและไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชักในเวลาหลับเธอไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นชายหรือว่าเป็นหญิง แค่ผู้ชายแกล้งปลอมเป็นผู้หญิงไม่อาจทําให้เขากลายเป็นผู้หญิงได้ชั้นใดก็ฉันนั้นวิญญาณที่สมมุติตนว่าเป็นชายและหญิงก็ยังเป็นวิญญาณอยู่นั่นเองวิญญาณของเราคือร่างจําลองแห่งพระเป็นเจ้าเป็นร่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล ะ, ะไร้รูปร่าง ท่านอาจารย์ไม่เคยเลี่ยงที่จะพบกับลูกศิษย์สตรีท่านไม่เคยกล่าวโทษสตรีว่าเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมของบุรุษท่านชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงเองก็ต้องรับมือกับความเย้ายวนของเพศตรงข้ามเช่นกันครั้งหนึ่งมูกุลทะเคยถามอาจารย์ว่าทำไมโยคีผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณท่านหนึ่งจึงตราหน้าสตรีเพศว่าเป็นประตูสู่นรกท่านอาจารย์ตอบว่า แสดงว่าสมัยยังหนุ่มคงจะมีเด็กสาวมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเขามีใช่น้อยเพราะทำไมเช่นนั้นแทนที่จะประนามสตรีเพศเช่นที่ว่ามาเขาน่าจะกล่าวโทษตนเองมากกว่าที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนได้อย่างที่ควรจะเป็นนั่นเป็นโยคีที่ทันสมัยมากนะคะ mm hmm. ธ่านมะกล่าวเตือนสานุสิตว่าบุคคลผู้ตกเป็นทาสของการมาตัญหามีรึจะหาความสุขในโลกได้รสอันละเมียดละไมของมันจะพระจากไปในขณะที่เขาลดตัวลงเกลือกล้วกับปรักตมแห่งโลกียะผู้มัวเมาในตัญหาราคะย่อมรักษาปัญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดีเอาไว้กับตัวมิได้ ร่งราวของท่านสียุคเตสวนน่าสนใจนะคะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะอ่านบทนี้แล้วก็ได้อะไรหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงธรรมะหรือความจริงย่อมมีหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเข้าถึงด้วยวิธีทางของศาสนาไหนก็ได้พบกับความจริงที่เหมือนกันนี่คือชีวิตโยคี จากประสบการณ์ของท่านปรมาหังษายโยคานันทะโยคีชื่อดังของอินเดียซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศโดยเฉพาะในชาติตะวันตกนำเสนอเป็นตอนที่11แล้วนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณตามติดชีวิตโยคีที่น่าอัศจรรย์เราฝึกโยคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักโยคี จะฟังยากนิดนึงนะคะแต่ก็พยายามจะดึงเอาใจความสำคัญมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อความเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยสนุกด้วยนะคะติดตามตอนต่อไปของชีวิตโยคีตอนที่12ได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะ